การจะเรียนกรรมฐานไม่ใช่ยากอะไรนะเรียนธรรมะเราน้อมกลับเข้ามาที่ตัวเองโอปัญาิโกน้อมกลับเข้ามาเรียนรู้ตัวเองมาดูว่าความเป็นจริงของกายเป็นยังไงความเป็นจริงของจิตใจเป็นยังไงเราต้องการแค่นั้นแหละอย่ามาเรียนรู้มาดูกายมาดูใจให้เห็นว่าจริงๆเขาเป็นไง จริงๆเขาไม่เที่ยงจริงๆเขาเป็นทุกข์ถูกบีบคั้นตลอดเวลาจริงๆนะัไม่อยู่ในอำนาจบังคับเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามสั่งใ น, นเราจะมาดูเพื่อหเห็นความจริงเท่านี้เองที่เวลาปฏิบัตินะใช่หลักโอปัยิโกน้อมเข้ามาเรียนรู้ตัวเองเดี๋ยววินยูชนก็เห็นด้วยตัวเองปั จ, จตังเวทิตัปโพวินยุหิวินยูชนรู้ด้วยตัวเองรู้อะไร รู้ว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้แล้วได้อะไรใจจะค่อยๆ ค, คลายความยึดถือออกเบื้องต้นมันจะทำลายความเห็นผิดนะว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราเป็นสิ่งที่เราบังคับได้แน่นอนพระโสดาบันเนี่ยยังยึดถือกายยึดถือใจอยู่แต่เห็นความจริงแล้วกายนี้ใจนี้นะไม่ใช่ตัวเราหรอก เป็นอะไรเป็นแค่สภาวธรรมแค่สภาวธรรมของรูปธปรรมบ้างนามธรรมาบ้างมีเหตุก็เกิดขึ้นนะหมดเหตุก็ดับไปรูปธรรมก็มีเหตุให้เกิด น, ะนามธรรมาก็มีเหตุให้เกิดธาตุแต่ละธาตุนะแต่ทั่งธาตุแต่ละธาตุกนะ็มีเหตุเกิดเหมือนกันนี่เรามาดูให้เห็นความจริงนะสุดท้ายม่จะรู้ว่าหาสาระไม่ได้ มีแต่ก้อนทุกข์ทั้งหมดเลยนะพอพัญญาขั้นท้ายมันจะเห็นแต่ทุกข์พวกเราบางคนบอกฝึกกับหลวงพ่อนะช่วงแรกมีความสุขมหาศาลเลยอยู่เฉยๆความสุขก็ผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาทําไมมีความสุขให้จิตมันมีสมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาไม่ต้องทำอะไรความสุขก็ผุดขึ้นมาละแค่รู้สึกตัว ตรงที่เรารู้สึกตัวขึ้นมานยรู้สึกกายรู้สึกใจพอ ร, รู้ทันนะรู้ทันสภาวะที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆเนี่ยความรู้สึกตัวมันเกิดขึ้นใจมตั้งมั่นขึ้นมาจิตใจตั้งมั่นแล้วเวลาสภาวะทำทั้งหลายมันปรากฏแล้วจิตมันเคลื่อนไปหาสภาวะทั้งหลายเราเห็นปุ๊บจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติขึ้นมา เมจิตตั้งมั่นอัตโนมัติจิตก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีความสุขชวยขึ้นมาทั้งๆ ท, ที่เราไม่ได้เข้าัานเราอยู่ในชีวิตธรรมดาอย่างเงี้ยความรู้สึกตัวเกิดเมื่อไหร่นะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวมีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นความสุขก็ชวยขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเบื้องต้นหัดเนะ้อจะเต็ ม, มไปด้วยความสุขอันนั้นเราหัดในขั้นของสมาธิ พอามาถึงขั้นหัดในขั้นของการเจริญปัญญาเนี่ยจะไม่เหมือนกันอย่างเดิมละวเราเอาจิตที่มีความสุขมีความสงบมีความตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะมาดูความจริงของกายของใจดูลงมาเรื่อยๆนะจะเห็นแต่ทุกข์ถึงวันหนึ่งจะรู้เลยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์แล้วก็ไม่มีอะไรดับไป มีแต่ทุกข์เกิดแล้วทุกข์ก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปรูปรธรรมก็เป็นทุกข์นามรธรรมก็เป็นทุกข์งั้นยิ่งภาวนายิ่งเห็นแต่ทุกข์ทุกข์มากจนกระทั่งจิตมันเห็นความจริงนะลกายนี้ทุกข์สุดขีดแล้วเอาไว้ไม่ได้นะจิตมันสลัดกายให้โลกไปคืนกายให้โลกไปจิตไม่ยึดถือกายที่มันเวี่ยงกระเด็นออกไปเลยนะจาก จากจิตจากใจที่เคยเกาะเอาไว้มันเบียงดีดหายออกไปเลยต่อไปก็มีกายก็สักว่ามีจิตไม่เข้าไปจับแล้วภาวนาต่อไปเห็นทุกข์เห็นโทษที่ประณีตลึกซึ้งขึ้นมาอีกจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเห็นจิตเป็นทุกข์ล้วนๆมันจะปล่อยมัสลัดคืนจิตให้โลกอีกเป็นเรื่องที่แปลกแปลกกว่าสลัดกาย พวกเราเห็นจิตสลัดอารมณ์ไหมจิตพอไปรู้อารมณ์แล้วจิตทิ้งอารมณ์ไปปล่อยอารมณ์หลุดออกจากอารมณ์นะอันนี้ขั้นหนึ่งนะอันนี้ขั้นพื้นพื้นปูตุชนก็เห็นตรงที่จิตสลัดอารมณ์เนี่ยพอพาวนา ม, มากเข้ามากเข้านะตรงที่จิตสลัดกายทิ้งนะแล้วไม่ไปยิบขึ้นมาอีกเนี่เป็นภูมิของพระนาคาแล้ว ตอที่จิตสลัดคืนจิตให้โลกไปนี่เป็นภูมิสุดท้ายของการปฏิบัติจิตปล่อยอารมณ์พวกเราเคยเห็นแจิตปล่อยกายพวกเราเคยเห็นปล่อยเป็นคลาวาวแล้วบางทีกายกับใจอยู่ต่างหากยา ก, กันแต่แป๊บเดียวก็เข้าไปยึดใหม่จิตปล่อยอารมณ์พวกเราก็เห็นปล่อยเป็นคลาวาวใช่ไหมสุขทุกข์ดีชั่วอะไรกปล่อยได้เป็นคลาลบางคนเห็นจิต ปล่อยวางจิตนะอันนี้ใครเคยเห็นบ้างมีบ้างไหมมันจนะพวกที่อินทรียแก่กล้าบางทีก็ เ, เห็นนะก็ เ, เห็นขึ้นมาจิตปล่อยจิตได้แต่ตะครุบคืนมาอย่างรวดเร็วเลยนะเอาคืนปล่อยไม่ได้จริงมันเหมือนที่พวกเราปล่อยอารมณ์ปล่อยได้แวบๆเดี๋ยวก็ไปหยิบมาใหมนะ่พวกที่ปล่อยกายได้ปล่อยได้แวบๆเดี๋ยวก็ไปหยิบมาใหม่ปล่อยจิตได้เนี้ยิย่งน้อยใหญ่ แต่ปล่อยได้แฟ บ, บเดียวก็จะไปหยิบมาใหม่ตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่บวชนะภาวนามีช่วงหนึ่งจิตปล่อยจิตจิตปล่อยวางจิตโหมันมีความสุขอะไรขนาด น, นี้เนาะภาวนามาแทบเป็นแทบตายนะเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆเลยตอนท้ายนี่จิตปล่อยจิตแล้วโอ้มีความสุขมากได้ข่าวว่าหลวงปู่สุวัตกลับมาเมืองไทยมาพาักอยู่สวนทิพย์ที่ปักเลศนะอยู่ที่ปักเล็ด เลยไปหาท่า น, นเพราะว่าครูบาอาจารย์ที่เชื่อถือได้ยุคนั้นหายากละวก็ไปถามหลวงปู่สุวัตเพราว่ารู้ว่าท่านภาวนาดีระหว่างขับรถไปที่ปากเกร็ดนะจิตที่ปล่อยวางจิตนั้นมันไปหยิบจิตขึ้นมาอีกโอ้เอาแล้วสิแล้วเราจะเอาอะไรไปส่งให้หลวงปู่ดู หนึ่งว่าให้ท่านดูแล้วท่านจะได้บอกวิธีปฏิบัติต่อได้นี่บรรดันไปหยิบขึ้นมาอีกแล้วทำยังไงก็ไม่หลุดนะจะดูใช้สมาธิใช้การพิจารณาใช้อะไรตอนไรไม่ยอมปล่อยเลยจนรถเข้าใกล้ที่หลวงปู่พักละจะเลี้ยวเข้าซอยละอทําไม่ได้ ใ, ใจคิดว่าเราทําไม่ได้แล้วช่างมันเถอะมันเป็นไตรลักษ นึกปลอบใจตัวเองนะมันเป็นไตรลักษณ์ใจยอมแล้วหมดการดิ้นรนที่จะไปให้จิตมันปล่อยออกไปพอคิดว่ามันเป็นไตรลักษณ์ปุ๊บนะมันสลัดออกเลยโอ้ใช้ได้ผลเนาะเห็นไตรลักษณ์เข้าไปถึงก็ไปรอหลวงปู่เขาก็เข็นหลวงปู่ออกมา น, ะนั่งรถเข็นหลวงปู่ท่านก็ยิ้มยิ้มจิตท่านไว้นะคนไม่ค่อยรู้หรอก ท่านก็บอกว่าไม่ได้ถามเลยนะไม่นั่งอยู่ท่านเห็นหน้าท่านก็บอกจิตบางทีมันก็ปล่อยวางจิตนะแต่วางแล้วมันก็ไปหยิบมาอีกทําไงมันก็ไม่หลุดหรอกแต่ถ้าเห็นใจรักแนละ้วมันหลุดได้นะนี่ตอนนี้ <c oughs> เรารู้อ๋อต้องเห็นใจรักนะเห็นใจรักโทกความเมตตาของครูบาอาจารย์ อะไรมาบางทีจิตก็ปล่อยออกไปนะไปหยิบมาอีกเขาเห็นใจรักก็วางตรงนี้เป็นหลักของการปฏิบัตินะถ้าเราเห็นไจรักษเห็นอารมณ์เป็นใจรักจิตก็วางอารมณ์เห็นกายเป็นไตรลักษณนะจิตก็วางกายเห็นจิตเป็นไจรักจิตก็วางจิตเพราะฉั้นงานเราเนี่ยไม่มีอะไรมากหรอกงานของเราที่จะปฏิบัติกันเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นจนเป็นพระอรหันต์เนี่ย ก็คือมาดูใจรักของกายของใจเหล่านี้แหละมาดูใจรักของกายของใจสิ่งที่แสดงใจรักได้ก็คือรูปธรรมนามธรรมาแต่คำว่าอารมณ์นะมันกว้างกว่ารูปธรรมนามธรรมาำคำว่าอารมณ์นี่มีเรื่องราวที่คิดไว้เรียกว่าอารมณ์บัญญัติสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์แปลว่าสิ่งที่จิตไปรู้เข้าสิ่งที่จิตไปรู้เข้านี่มีสี่อย่าง มีสองอย่างที่แสดงใจรักษณคือรูปธรรมกับนามธรรมที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราเนี่ยแสดงใจรักษ ไ, ได้อีกสองสิ่งไม่แสดงใจรักษณอารมณ์คือสิ่งที่จิตไปรู้อีกสองอย่างอันหนึ่งก็คือเรื่องราวที่เราคิดเรื่องราวที่คิดเนี่ยไม่เรียกว่ารูปนามแต่เรียกว่าอารมณ์บัญญัติเรื่องราวที่บัญญัติขึ้นมาคิดขึ้นมาแต่งขึ้นมาคิดไปทั้งวันคิดไปทั้งคืนคิดไม่มีวันจบอ่ะ ไม่รู้ว่าใจ ร, รักจะไปเริ่มตรงไหนเลยนะั้นก็คิดทงมันไปเรื่อยๆ ator'. อีกตัวหนึ่งอารมณ์อีกตัวหนึ่งนะที่ไม่แสดงใจ ร, รักษคือพระนิพานพานพระนิพพานไม่มีไตรลักษนิพพานมีเอกลักษณ์มีลักษณะอันเดียวนะคือเป็นอนัตตานิพพานเนี่ยเที่ยงนิพพา น, น, พานเป็นสุขงั้นถ้าเราเข้าถึงนิพพานเราอยสัมผัสสิ่งที่เที่ยงสัมผัสงสิ่งที่เป็นสุขฝากเป็นฝากตายได้เราไปฝากเป็นฝากตายกับของไม่เที่ยงฝากไม่ได้นะ อย่างฝากเป็นฝากตายไว้กับทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติไม่เที่ยงฝากไม่ได้ฝากไว้กับร่างกายเรานะมันเป็นลนุมเป็นสาวตลอดไปมันเป็นไปไม่ได้ฝากไว้กับสิ่งอื่นนั่นฝากไม่ได้เพราะมันเป็นของไม่เที่ยงธรรมะแท้ๆคือวัณณิพานมันเที่ยงมันฝากเป็นฝากตายกันได้มีถ้าเข้าใจตัวนี้ก็จะมีสโละมีที่พึ่งแล้วมีที่ฝากเป็นฝากตาย งั้นเราไม่ต้องไปดูพระนิพพานนะไม่ต้องไปแสวงหาพระนิพพานเพะหน้าที่เราต้องดูไตรลักษ์สิ่งที่แสดงไตรลักษ์ก็แค่รูปธรรมนามธรรมา ท, ที่ประกอบกันเป็นตัวเราการคิดพิจารณาเลยเป็นแค่อุบายสอนใจเท่านั้นเองเพราะความคิดไม่มีไตรลักษณ์ไม่ต้องไปดูมันงั้นอย่างบางคนภาวนานะจิตไปคิดคิดเรื่องอะไรก็รู้ ถ้าไปรู้เรื่องที่คิดเนี่ยเรียกว่ารู้อารมณ์บัญญัติแต่ถ้ารู้ว่าจิตกําลังคิดอยู่เรียกว่ารู้ ร, รูปนามหรือนะรู้นมามธรรมจิตนี่เป็นตัวนมามธรรมมันกําลังคิดงั้นรู้ว่าคิดอะไรนะไม่สําคัญนะสําคัญที่รู้ว่าจิตกําลังคิดอยู่นะอย่างนี้ถึงจะเห็นไตรลักทันทีที่รู้ว่าจิตคิดปุบจิตจะหยุดคิดปั๊บเลยแต่ถ้ารู้เรื่องราวที่คิดก็ ค, คิดไปเรื่อยๆนะ คิดไปเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดเอาคิดทั้งวันคิดทั้งคืนคิดทั้งตื่นคิดทั้งหลับเราจะต้องพยายามมาเรียนให้เห็นพยายามมาหัดรู้หัดดูให้เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมา ท, ที่ประกอบกันเป็นตัวเราเนี่ยคืองานหลักที่เราจะต้องทาแต่การที่จะทำงานหลักนี้ได้บางทีก็ต้องมีเครื่องมือนะเครื่องมือที่จะทำให้เราสามารถเห็นความเป็นไตรลักษณ์ ของรูปธรรมนามธรรม ท, ที่ประกอบกันเป็นตัวเรามีอยู่สองตัวหลักๆที่เราต้องพัฒนาขึ้นมาตัวที่หนึ่งคือสติปัฏฐานสติที่รู้กายรู้ใจตัวที่สองคือสมาธิที่ถูกต้องเรียกว่าลักขณูปณิชฌานงั้นเราต้องมีสติที่ถูกต้องให้สติรู้กายรู้ใจสติที่รู้กายรู้ใจนี่แหละเรียกว่าสติปัฏฐานสติอย่างอื่นมีไหมมี อย่างใจของเราอยากทำบุญอยากใส่บาตรใจเราเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาเมื่อไหร่ในขณะนั้นจิตมีสติจะเป็นสติโลกโลกนะแต่ถ้าเป็นสติที่รู้กายสติที่รู้ใจรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจของตัวเองถึงจะเรียกว่าสติปัฏฐานบางคนก็มักง่ายแตผมว่าถ้าเจริญสติไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งจะเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่เป็นนะ ต้องจเจริญสติปัฏฐานพระเจ้าสอนเรื่องสติปัฏฐานว่าเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นทางสายเดียวเลยนะสติปัฏฐานคือสติรู้สึกอยู่ในกายสติรู้สึกอยู่ในจิตใจของเรานี่เองถ้าแยกละเอียดก็มีสี่หมวดใหญ่ๆนะแต่ละหมวดก็มีบับย่อยๆนะมีหัวข้อย่อยๆไปให้เรียนอีกแต่ละคนนะเรียนนิดเดียว เรียนผัวข้อย่อยๆเอามาปฏิบัติอันเดียวนะพอละสติปัฏฐานนั้นเราฝึกไปเพื่อความมีสตินะเพื่อความมีสติเราต้องมาฝึกวิธีก็คือคอยรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจบ่อยๆทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งเช่นหายใจเข้าหายใจออกอะไรก็ทําไปหายใจแล้วคอยรู้สึกเห็นร่างกายมันหายใจ หายใจออกรู้สึกตัวเห็นร่างกายหายใจหายใจเข้ารู้สึกตัวเห็นร่างกายหายใจยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนค่อยๆฝึกไปเงี้ยนะหรือมารู้ความสุขความทุกข์นั่งสมาธิไปมีความสุขเกิดขึ้นในร่างกายก็รู้มีความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายก็รู้ค่อยค่อ ย, อยหัดรู้สภาวะไปหรือหัดมาดูจิตใจ จิตใจเป็นกุศลก็รู้จิตใจโลภจิตใจโกรธจิตใจหลงจิตใจฟุ้งซ่านจิตใจหดหู่ก็ค่อยรู้คอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจนั่นแหละนะหัดรู้บ่อยๆทีแรกวันนานๆรู้ได้ทีเผลอไปนานมนาะหัดบ่อยๆต่อไปเนี่ยไม่ได้เจตนาจะรู้มันก็รู้ขึ้นเองต้องฝึกจนถึงขั้นไม่เจตนาจะรู้มันก็รู้ได้เองแต่ก่อนจะถึงขั้นนี้ได้ก็ต้องหัดรู้ ทำกรรมาฐานสัยอย่างหนึ่งนะอะไรก็ได้แล้วก็คอยสังเกตกายสังเกตใจของเราร่างกายหายใจออกคอยรู้สึกร่างกายหายใจเข้าคอยรู้สึกเนี่ยต่อไปเวลาเผลอๆ เ, เวลาหลงไปจังหวะการหายใจเปลี่ยนสมมติว่าเราไปเห็นสาวสวยเขาตื่นเต้นมากเลยราคาเกิ น, นลมหายใจมันจะเปลี่ยนจังหวะจะหายใจแรงขึ้น หรือเวลาเราโกรธลมหายใจก็เปลี่ยนจังหวะนึก อ, ออกไหมเวลาโกรธลมหายใจเบาไหมหรือว่าแรงขึ้นแรงขึ้นใชนะงั้นแต่เดิมเราเคยหายใจเรารู้สึกตัวหายใจเรารู้สึกตัวนะต่อมาจังหวะเราเผลอนี่แหละช่วงจังหวะที่เราเผลอนะลมหายใจมันเปลี่ยนจังหวะนิดเดียวนะความรู้สึกตัวจะกลับขึ้นมาเองนี่สติมาเองเลยเพราะจิตจําสภาวะคือจําการหายใจได้แม่น หรือเราหัดยืนเดินนั่งนอนล้วคอยรู้สึกตัวเรื่อยๆนะต่อไปเวลาเราเผลอร่างกายเกิดเคลื่อนไหวขึ้นมาเราจะรู้สึกตัวอัตโนมัติขึ้นมาไม่ได้เจตนารู้สึกแต่ก็รู้สึกต้องฝึกนะหรือไม่ถนัดที่จะดูรูปธรรมไม่ถนัดจะดูความสุขความทุกข์คนไหนกิเลสแรงโกรธบ่อยโกรธบ่อยก็ดูใจที่โกรธไป เดี๋ยวเทเห็นเดี๋ยวมันก็โกรธเดี๋ยวมันก็ไม่โกรธเดี๋ยวมันก็โกรธเดี๋ยวมันก็ไม่โกรธคนไหนขี้โลภก็ดูใจที่โลภไปเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็ไม่อยากเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็ไม่อยากนี่หัดดูอยู่อย่างเดียวนี่แหละเป็นหลักไหมต่อไปเวลาความโลภเกิดขึ้นมันจะรู้เองว่าโอ้โลภแล้วหรือว่าหัดดูความโกรธเรื่อยๆต่อไปความโกรธเกิดขึ้นนะขัดใจเกิดขึ้นไม่ได้เจตนาจะรู้เลย สติจะระลึกขึ้นได้เองโอ้โกรธแล้วนะหุดหงิดแล้ ว, นะลวนี่เราต้องฝึกนะจนกระทั่งมันอัตโนมัติเฉั้นอยู่ดีๆนะอยากจะได้มรรคผลนิพพานแต่ไม่ทําอะไรเลยไม่ได้นะาศาสนาพุทธเนี่ยคําสอนของพระพุทธเจ้านะคําสอนในาศาสนาพุทธเป็นกรรมวาทีต้องทํามีเรื่องต้องทําไม่ใช่ไม่ทําอะไรเลยบางคนนะไปอ่าน่วงโปไว้หลังอะไรแล้วเพี้ยนนะ อานแล้วไม่เข้าใจอย่างท่านพวงโปท่านไว้หลังทนะ่านพูดถึงศีลสมาธิปัญญาไม่มีความสาคัญอะไรจิตมันดีอยู่แล้วเนี่ยศีล ส, สมาธิปัญญาจะสาคัญอะไรพอเราได้ยินอย่างนี้นะบว ก, กเคยได้ยินพระสูตรบอกว่าธรรมชาติเดิมของจิตมันประพัดสอนเคยได้ยินอย่างนี้ไม่ได้ยินให้จบนะประโยคต่อไปก็คือแต่เศร้าหมองเพราะกิเลส ท, ที่จรมา ไปโมเมล เ, เองนะอ่านของเซนบ้างอ่านของเทราวาสเราบ้างนะก็สําคัญผิดว่าจิตนี้ดีอยู่แล้วไม่ต้องปฏิบัติหรอกศีลสมาธิเป็นปัญญาไม่สําคัญนะไม่รู้หรอกว่าจิตของเราประพัฒสอนสว่างจริงนะถ้ากิเลสยังไม่มาแต่มันไม่สะอาดมันไม่บริสุทธิกิเลสมันถึงมาได้มันมีเชื้อที่จะให้กิเลสเกิดอยู่ หรืออย่างฟังหลวงปู่ดูลพูดเรื่องจิตหนึ่งหลวงปู่ดูลก็เอาคำพูดของท่านพวงโปนัแหละมาพูดจิตมันดีอยู่แล้วศีล ส, สมาธิปัญญาไม่สําคัญอันนั้นมันจิตหนึ่งคือจิตของพระอรหันต์ไม่ใช่จิตของเราสำหรับจิตพระอรหันต์แล้วศีล ส, สมาธิปัญญาไม่ได้สําคัญอะไรเลยนะเพราะว่าใช้ศีลสมาธิปัญญานะสักฟอกจิตจนสะอาดหมดจดแล้วบริสุทธิ์แล้ว ศีลสมาธิปัญญาไม่สำคัญแต่สำหรับพวกเราสำคัญนะไม่มีศีลต้องพัฒนาให้เกิดศีลไม่มีสมาธิที่ถูกต้องต้องพัฒนาสมาธิไม่มีปัญญาที่ถูกต้องก็ต้องพัฒนาปัญญาอาศัยศีลสมาธิปัญญาที่แก่รอบขึ้นมาสักฟอ ก, ก จ, จิตใจจนสะอาดหมดจดนะต่อไปศีลสมาธิปัญญาไม่สาคัญลนะอาศัยสตินะเป็นตัวพื้นฐานเลยถ้ามี ส, สติ เราก็เอาสตินี่เรามาพัฒนาศีลมาพัฒนาสมาธิมาพัฒนาปัญญาขาดสติตัวเดียวศีลสมาธิปัญญาหายหมดเลยมีสติตัวเดียวนะมีโอกาสที่จะเกิดศีลสมาธิปัญญาขึ้นมางั้นเราต้องฝึกให้มีสติให้มากที่สุดแต่สติของเราไม่ใช่สติออกนอกให้เป็นสติที่รู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจตัวเอง อย่างบางคนไปนั่งเพ่งไฟจุดเทียนทห่นะั่นนั่งเพ่งไฟจิตไม่หนีไปจากไฟเลยอันนี้ไม่ได้มีสติปัฏฐานในสติปัฏฐานไม่มีเรื่องเพ่งไฟนะไม่มีเพ่งเทียนมีแต่คอยรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจหรือบางคนไปเพ่งดินบางคนไปเพ่งน้าบางคนเพ่งลมนะดูใบไม้ไหวเพ่งลมดูธงไหว อันนั้นไม่ใช่ฝึกให้มีสติปัฏฐานฝึกให้มีสติปัฏฐานเนี้ยรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจบ่อยจนกระทั่งไม่เจตนาจะรู้สึกก็รู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกได้เองจิตใจเคลื่อนไหวก็รู้สึกได้เองถ้าฝึกชํานาญมากๆนะกระทั่งนอนหลับนะพลิกซ้ายพลิกขวาก็รู้สึกนะเวลานอนหลับอยู่เนี้ยจะพลิกซ้ายจะพลิกขวารู้สึกแต่คิดไม่ได้สั่งร่างกายก็ไม่ได้นะเห็นร่างกายมันทํางานได้เอง หรือใจมันคิดขึ้นในความฝันก็รู้สึกนะนคิดก็คือมันฝันขึ้นมารู้สึกโลภโกรดหลงเกิดขึ้นตอนฝันใครเคยฝันเห็นผีบ้างมีไหมยกมือสิฝันเห็นผีมีไหมใครเคยเจอผีจริงจริงยกมือสิสรุปส่วนใหญ่เจอผีในความฝันมีมีเจอผีจริงจริงสามคนอาจจะผีปลอมอีกก็ได้นะที่เจอ สามคนที่เห็นว่าเห็นผีจริงๆตอนไม่ได้หลับอะเวลาเห็นผีขึ้นมาจิตใจกลัวสติจ ะ, ะระลึกเองเลยเห็นความกลัวทั้งความกลัวจะขาดสะบั้นเลยนะเนี่ยต้องฝึกจนสติอัตโนมัตินะทั้งหลับทั้งตื่นเลยไม่ได้เจตนาจะรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกเองจิตใจเคลื่อนไหวก็รู้สึกเองเราฝึกได้ที่นะเราค่อยๆมาพัฒนาศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาอาศัยสตินี่แหละเป็นเครื่องมือ ต่อไปเวลามีกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่ใจคอยรู้ทันโลภเกิดขึ้นก็รู้โกรธเกิดขึ้นก็รู้หลงเกิดขึ้นก็รู้ฟุ้งซ่านหดหู่เกิดขึ้นก็รู้ถ้ากิเลสเกิดที่ใจแล้วสติรู้ทันนะกิเลสจะดับอัตโนมัติดับอัตโนมัตินะบางคนเห็นกิเลสแล้วไม่ดับแนละ้วสติตัวจริงยังไม่เกิดออก ถ้สติตัวจริงเกิดไม่ได้เจตนาจะรู้สึกมันรู้สึกโกรธขึ้นมาปุ๊บไม่จะเจตนาจะรู้สึกรู้สึกเลยนะความโกรธจะขาดสะบั้นเลยดับทันทีเลยความโลภความหลงความวุ่นวายหุนหันจะดับทันทีเลยเมื่อกิเลสดับแล้วเนี่ยไม่ตั้งใจรักษาศีลศีลก็มีอัตโนมัติเห็นไหมเรียนกับหลวงพ่อนะจะต้องถึงขั้นอัตโนมัติหมดเลยนะฝึกจนสติอัตโนมัติอันนี้ต้องฝึก ต้องซ้มทุกวันทุกวันนะทำในรูปแบบไปพุโทโธหรือหายใจหรืออะไรก็ทําไปนะแล้วก็คอยดูกายดูใจมันทํางานพุโทโธพุโทโธจิตหนีไปก็รู้อะไรเงี้ยคอยรู้ทันจิตนะมันเผลอไปแล้วรู้เผลอแล้วรู้หายใจก็คอยรู้สึกนะเผลอไปแล้วก็รู้เผลอแล้วรู้ฝึกเรื่อยๆจนทั้งอะไรเกิดขึ้นนก็รู้ได้เองนี่เรียกว่าเราได้สตินะ ต่อไปเอาสตินี้แหละมาคอยรู้ทันเวลากิเลสเกิดที่ใจกิเลสไม่เกิดที่อื่นตามองเห็นรูปยังไม่มีกิเลสหูได้ยินเสียงยังไม่มีกิเลสใจต้องคิดก่อนถึงจะมีกิเลสแต่ไม่ได้ฝึกที่จะไม่คิดธรรมชาติของจิตมันคิดนะเฉะนั้นต่อไปนี้พอกิเลสอะไรเกิดที่จิตก็คอยรู้อาศัยตัวนี้นะฝึกควบไปเพื่อให้ได้ทั้งสติได้ทั้งศีลได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาได้เลยนะ การดูจิตเนี่ยเป็นวิธีปฏิบัติที่รวบไว้ทั้งหมดเลยเราหัดดูจิตที่โลภที่โกรธที่หลงเห็นมันทํางานไปเรื่อยนะเดี๋ยวมันโกรธมันก็หายเดี๋ยวมันก็โกรธ เ, เดี๋ยวมันหายเดี๋ยวมันโลภเดี๋ยวมันหายได้สติอันหนึ่งละแล้วการที่เรารู้ทันกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะกิเลสจะดับศีลจะเกิดขึ้นเอง อาศัยสติเนี่ยรู้ทันอยู่ที่จิตนะถ้าจิตเคลื่อนไปเรารู้จิตเคลื่อนไปเรารู้นะจะได้สมาธิที่ถูกต้องคือจิตตั้งมั่นไม่เคลื่อนโดยที่ไม่ได้เจตนาให้ตั้งมัน่นอาศัยสติรู้ทันจิตเนี่ยจะเห็นเลยว่าจิตนี้แปรปรวนตลอดเวลาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นแก่ใจนะมีแต่ของไม่เชี่ยงมีแต่ของมาคับไม่ได้นี่คือการเจริญปัญญา งั้นถ้าเราดูจิตเป็นนะเราจะได้ทั้งสติได้ทั้งศีลได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญารวบทีเดียวเลยนะงั้นถ้าเราหัดดูจิตดูใจเป็นนะมักผลที่ผานไม่ไกลเท่าไหร่หรอกการภานาเนะี่ยโอ้ง่ายมากแทบจะไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่เลยงั้นที่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ดูลท่านสอนดูจิตดูจิตนะพอเข้าใจคําว่าดูจิตแล้วนะลึกมากเลยเบสิกเลยก็คือดูจนเกิดสติ มีสติแล้วถ้ากิเลสเกิดนะสติรู้ทันศีลก็เกิดถ้าความฟุ้งซ่านคือการที่จิตเคลื่อนไปฟุ้งไปซ่านไปเกิดสติรู้ทันสมาธิที่ถูกต้องก็เกิดนะถ้าสภาวะทั้งหลายผ่านมาแล้วก็ผ่านไปสติะระลึกรู้นะความโลภมาแล้วก็ไปความโลภมาแล้วก็ไปความโกรธมาแล้วก็ไปความสุขความทุกข์มาแล้วก็ไปสุดท้ายมันจะได้ปัญญานะเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับ ดันันการดูจิตนะเป็นวิธีการปฏิบัติที่รวบครอบคลุมการปฏิบัติทุก ข, ขั้นตอนเอาไว้ในตัวเดียวนะงนั้นถ้าเราทาเป็นนะไม่ยากอะ่ะจะเป็นลำบากในขั้นพระนาคานิดหนึ่งเพราะว่าเป็นเรื่องของการสู้กับกามนะพวกดูกายเนี่ยพวกดูกายเนี่ยสู้กับกามได้ง่ายแต่พอผ่านกายนะ ผ่านกายผ่านกามได้ดูกายแล้วผ่านกามไปพ้นได้ไดพระ น, นักคาแล้วนะผ่านจิตยากไม่ชินที่จะดูจิตแต่ถ้าพวกเราพากเพียรนนะั้นเราทำดูจิตตัวเราไปเรื่อยนะจนได้โสดาสกตาคาแล้วถ้าจากนั้นพยายามถือศีลแปดไหมถือศีลแปนั่นจะเห็นโทษของกามได้ง่ายอยากกินไม่ได้กินอยากนอนไม่ได้นอนอยากทําอะไรไม่ค่อยได้ทําตามใจชอบจะเห็นโทษ ความอยากเกิดที่ไรความทุกข์เกิดทุกทีเลยนะพอผ่านผ่านาคาได้นะขั้นสุดท้ายอะสั้นชุดจูเลยเพราะว่ามันชํานาญในการดูจิตอยู่แล้วขั้นสุดท้ายตะลุยกันที่จิตเองแตกหักกันที่จิตเองนะเพราะฉะนั้นถ้าเราหัดดูจิตดูใจนะโสดาสักทาคาเนี่ยเราดูของเราไปธรรมดาอย่เงี้ยใช้ศีลห้านี้แหละพอได้สกกทาคาแล้วก็ รักษาศินแปดไมนั่นได้จะไปได้เร็วนะแต่คารวาสถือศินแปดยากถือมากๆนะโรกกับพ่อกินทำงานหนักนเมือนถ้าอยากบวชนะเอาไว้ได้สรทาคาแล้วค่อยบวชก็ได้อาชเชินไปกินข้าวนะวันนี้ได้แค่นี้นะได้แต่เรื่องเบสิกนะฝึกให้ได้สตินะย่าได้สีสมาธิปัญญา สีลสมาธิบัญญาคบวิมุตต ม, ม, มากอ ง, มองหมายเองแหละนิมนต์เลยครับนิมนต์ทุกองเลย